ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรมข้อคอประเภทของกรรมกรรมนั้นเมื่อจําแนกตามคุณภาพหรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุแบ่งได้เป็นสองอย่างคืออกุศลกรรมและกุศลกรรมอกุศลกรรมคือกรรมที่เป็นอกุศลการกระทําที่ไม่ดีกรรมชั่วหมายถึงการกระทําที่เกิดจากอกุศลมูลคือโลภโทสะหรือโมหะ กุศลกรรมคือกรรมที่เป็นกุศลการกระทำที่ดีหรือกรรมดีหมายถึงการกระทำที่เกิดจากกุศลมูลคืออโลภะอโทสะหรืออโมหะอนหนึ่งในกุศลมูลสานั้นพึงทราบว่าอโลภะไม่โลภหมายถึงธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับความโลภรวมถึงจาระอโทสะไม่คิดประทุษร้าย หมายถึงธรรมที่เป็นปฏิปักิกับโทสะโดยเฉพาะเมตตาอโมหะไม่หลงหมายถึงธรรมที่เป็นปฏิปักิกับความหลงโดยเฉพาะปัญญาอากุศลกรรมและกุศลกรรมนี้จำแนกตามคุณภาพหรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุแต่ถ้าจำแนกตามทวารคือทางที่ทำกรรมหรือทางแสดงออกของกรรมจะเป็นสามคือกายกรรมวจีกรรม และมโนกรรมกายกรรมคือกรรมทำด้วยกายหรือการกระทำทางกายวจีกรรมคือกรรมทำด้วยวาจาหรือการกระทำทางวาจามโนกรรมคือกรรมทำด้วยใจหรือการกระทำทางใจเมื่อจำแนกให้ครบตามหลักสองข้อที่กล่าวมาแล้วคือจำแนกตามคุณภาพหรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุ กับจำแนกตามถารหรือทางแสดงออกก็จะมีกรรมรวมทั้งหมด6อย่างคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแต่ละอย่างที่เป็นอกุศลกับกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแต่ละอย่างที่เป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งท่านจำแนกกรรมตามสภาพที่สัมพันธ์กับวิบากหรือการให้ผลจัดเป็น4อย่างคือ 1. กำดำมีวิบากดำได้แก่กายสังขารวจีสังขารและมโนสังขารที่มีการเบียดเบียนตัวอย่างง่ายๆเช่นปานาติบาตอตินนาทานกาเมสุมิชฉาจารมุสาวาตและติสุราเมไรตั้งอยู่ในความประมาท 2. กรรมขาวมีวิบากขาวได้แก่กายสังขารวจีสังขารและมโนสังขาร ที่ไม่มีการเบียดเบียนตัวอย่างคือการประพฤติตามกุศลกรรมบทสิบกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวได้แก่กายสังขารวัจจีสังขารและมโนสังขารที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างเช่นการกระทำของมนุษย์ทั่วๆไป 4. กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมได้แก่เจตนาเพื่อละกรรมทั้ง3ามอย่างข้างต้นหรือว่าโดยองค์ธรรมได้แก่โพชฌงเจหรือมักมีองค์8ในชั้นอัตตกถามีการแบ่งประเภทของกรรมอีกแบบหนึ่งซึ่งนิยมถือตามกันมาและเป็นที่รู้จักกันดีในยุคหลังๆคือการจัดแบ่งเป็นกรรม12หรือกรรมสสามหมวด เช่นที่แสดงไว้ในคำพีวิสุทธิทมรรคเป็นต้นแต่เพื่อป้องกันความฟั่นเฟือจึงจะไม่กล่าวไว้ในที่นี้โดยขอยกไปกล่าวในบันทึกพิเศษท้ายบทได้บรรดากรรมสามอย่างคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นมโนกรรมสำคัญที่สุดและมีผลกว้างขวางรุนแรงที่สุดดังบาลีในอุปาลิวาตสูตร มัชิมนิกายมัชิมปัญนาทพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับทีฆตะปัดสีนิครนว่าดูกระตะปัดสีบรรดากรรมสามอย่างเหล่านี้ที่เราจําแนกไว้้แลวอย่างนี้แสดงความแตกต่างกันแล้วอย่างนี้เราบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่าในการทําบาปกรรมในความเป็นไปแห่งบาปกรรมหาบัญญัติกายกรรมอย่างนั้นไม่ มันยัดวจีกรรมอย่างนั้นไม่เหตุที่มโนกรรมสำคัญที่สุดก็เพราะเป็นจุดเริ่มต้นคนคิดก่อนและจึงพูดจึงกระทาคือแสดงออกทางกายและวาจาดังนั้นวจีกรรมและกายกรรมจึงขยายออกมาจากมโนกรรมนั่นเองและที่ว่ามีผลกว้างขวางรุนแรงที่สุดก็เพราะว่ามโนกรรมรวมถึงความเชื่อถือความเห็นทรฤษี แนวคิดและค่านิยมต่างๆที่เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐินี้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทั่วๆไปของบุคคลความเป็นไปในชีวิตของบุคคลและคติของสังคมทั้งหมดเมื่อเชื่อเมื่อเห็นหรือนิยมอย่างไรก็คิดการพูดจาสั่งสอนชักชวนกันและทำการต่างๆไปตามที่เชื่อที่เห็นที่นิยมอย่างนั้นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิการดาริ พูดจาและทำการก็ดำเนินไปในทางผิดเป็นมิจฉาไปด้วยถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิการดำริพูดจาและทำการต่างๆก็ดำเนินไปในทางถูกต้องเป็นสัมมาไปด้วยเช่นคนและสังคมที่เห็นว่าความพรั่งพร้อมทางวัตถุมีค่าสูงสุดเป็นจุดหมายที่พึงใฝ่ประสงค์ก็จะเพียรพยายามสแสวงหาวัตถุให้พรั่งพร้อมและถือเอาความพรั่งพร้อมด้วยวัตถุนั้น เป็นมาตรฐานวัดความเจริญรุ่งเรืองเกียรติยศและศักดิ์ศรีเป็นต้นวิถีชีวิตของคนและแนวทางของสังคมนั้นก็จะเป็นไปในรูปแบบหนึง่งส่วนคนและสังคมที่ถือความสงบสุขทางจิตใจเป็นที่หมายก็จะมีวิถีชีวิตและความเป็นไปอีกแบบหนึง่งพุทธพจน์แสดงความสำคัญของมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐินั้นมีมากมายเช่นภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลกรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอกุศลกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปจนภัยบู์เหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐินี้เลยภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นไปเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปจนภัยบู์เหมือนอย่างสัมมาติทิฏฐินี้เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิกายกรรมที่ยึดถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดีวจีกรรมที่ยึดถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดีมโนกรรมที่ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดีเจตนาก็ดีความปรารถนาก็ดีพระนิทานก็ดี การปรุงแต่งทั้งหลายก็ดีทำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะทิฏฐิชั่วร้ายเปรียบเหมือนเมล็ดสเสตาก็ดีเมล็ดบวบขมก็ดีเมล็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่เขาเอาลงปลูกไว้ในดินที่ชุ่มชื้น รถดินและรถน้ำที่มันดูดซึมไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเป็นของเผ็ดเป็นของไม่อร่อยข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะพืชไม่ดีภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิกายกรรมที่ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดีวจีกรรมที่ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดี มโนกรรมที่ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดีเจตนาก็ดีความปรารถนาก็ดีประณิธานก็ดีการปรุงแต่งทั้งหลายก็ดีทําทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าใครน่าชอบใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะทิฏฐิดีงามเปรียบเหมือนพันอ้อยก็ดี พันเข้าสาลีก็ดีพันผลจันทร์ก็ดีที่เขาเอาลงปลูกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรถดินและรถน้ำที่มันดูดซึมเข้าไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความมีรสหวานเพื่อความเป็นของอร่อยเพื่อความน่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะพืชดีงามภิกษุทั้งหลายเอกบุคคลเมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เกื้อกูลแก่พระหูชนเพื่อไม่ใช่ความสุขแก่พระหูชนเพื่อเสื่อมประโยชน์เพื่อไม่เกื้อกูลแก่พระหูชนเพื่อความทุกข์แก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคลนั้นคือใครได้แก่ผู้มีมิจฉาทิฐิมีทัศนะอันวิปริตเอกบุคคลผู้มีมิจฉาทิฏฐินั้นย่อมยั่งพระหูชนให้คลาดจากสัตธรรม ให้ตั้งมั่นในอาสัตยธรรมภิกษุทั้งหลายเอกบุคคลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่พระหูชนเพื่อความสุขแก่พระหูชนเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่พหูชนเพื่อความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคลนั้นคือใครได้แก่ผู้มีสัมมาทิฏฐิมีทัศนะ อันไม่วิปริตเอกบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐินั้นย่อมยังพหูชนให้ออกพ้นจากอาสัตยธรรมให้ตั้งมั่นในสัตยธรรมภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งซึ่งมีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลยภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่ง ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นเจ้าใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าบุคคลมีจิตใจเสียหายแล้วจะพูดก็ตามจะทําก็ตามความทุกย่อมติดตามเขาไปเหมือนล้อหมุนตามโคที่ลากเกวียนถ้าบุคคลมีจิตใจผ่องใสแล้วจะพูดก็ตามจะทําก็ตามความสุขย่อมติดตามมาเหมือนดังเงาที่ติดตามตัว